50 languages. m b a t t e do. k น m s ั n t a n Four. s a m b a n d h a b i y v o เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้วตุ้มบาห์ตากิดดรุอวนูสวลปห์หตตุอุลิดาเขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้วนาวุเบติมาดาลูนิรดาริสิดดรุอวนูบรลิลลาโทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ ทีวีโวดุติถอาดากิวอวันมารีบตดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ตุ้มบาหดต g i t ถุอาดากิว व วันโสวลปะหดตัวอุลิดาเรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มาน้าวูเบติมาร์ดลูนิรดิรสิวุอาดนบรลล ทั้งที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถอวนะบลชาลนาวาิเกยิลลดิดรูอวนดโวดิสุตตานถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเลวรัเตจาริเกรูสะอว น, อ น, น ว, วโวดิสุตาเนเขาขี่จักรยานทาั้งทั้งที่เขาเมา อวันูมัธย ด, ดาอมัลีนั่ง ล, ลี่อิดดา aha cycle ล, ลันนูวอดีสุตตานเขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถอวัาบดล้นานาพาราลลร์ตาจิยูันูกาวอดีสุตตทัทัที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็วรัศเตจารร์ตาจ อวันู้ขับยนูเว่กวากีวดีสุตตาเนเขาเมาแต่เขาก็ยังขีจ่จักรยานอวนู้แม้แต่อมลินัลลีไอรุวาหระตากิโยไซเคลลนู้วดีสุตตาเนเธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยายลัยอวลดูวดีดดารุสหา วเวยาบก็ลสวโศกิลเธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตามเอาวลูนวินลิดรสห์เวลูไวดเดบลเกดลเธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตามอาวลบลวิลลดิดูสห์เวลูการันโน่โุตตาเล เธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอเธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ เอาละไปเลยฮันน่าอิ่งล่ะอาดากิวเอาวะลูกคาร